สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย w i n n e r 99เอาละครับตอนนี้เราติดต่อกับสายของคุณฟ้าได้เป็นที่เรียบร้อยมาติดตามเรื่องที่คุณฟ้าบอกว่าเป็นเรื่องของต้นสายปลายเหตุกันเลยครับสวัสดีครับคุณฟ้าสวัสดีค่ะที่จ้าค่าคุณฟ้าครับตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่เดิม ที่เดที่บ้านที่บ้านเนาะค่ะใช่ค่ะเออนะครับคราวที่แล้วเนี่ยคุณฟ้ามาเล่าเรื่องที่ต้องจำเอาไว้ใช่ค่ะพี่แล้วก็ครั้งนี้เนี่ยบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่ยังไม่จบอ่ะฮะก็เดีวันวันที่หนูเล่าเป็นวันอาทิตย์ใช่ไหมคะครับแต่ว่ายายของน้องยายของน้องฝนนะคะเขาเสียคืนวันศุกร์ครับเขาเสียคืนวันศุกร์แล้วน้องฝนเขาเดินทางกลับเมื่อวันเสาร์อะคะอ่ะอืม ก็ได้เจอกับน้านหนุ่มเขาอะค่ ะ, ะ, ะเพราะว่าน้านหนุ่มเขาบวชน้าไฟให้ครับครับค่ะแล้วก็อน้องน้องฝนเขาก็เลยเอาเรื่องที่ได้ยินจากน้าไฟอ ะ, อ ะ, อะไปถามน้องน้าหนอีกทีหนึ่งทีนี้น้านหนุ่มเขาก็บอกว่ามันมเกิดอะไรมากขึ้นกว่านั้นเขาก็เลยจะเล่าให้หลานฟังมีเรื่อง ท, ที่มันมากกว่านั้นอีกเหรอค่ะแต่ว่ามันเป็นทางเรื่องของน้านหนุ่มมากกว่าอืมอืม คราวที่แล้วหลายคนน่าจะจํากันได้นะคะเรื่องน้องฝนนี่แหละที่ตัวเขาเนี่ยโอ้โหต้องเจอกับเหตุการณ์แล้วก็ต้องไปรับรู้เรื่องราวในอดีตของครอบครัวเออก่อนที่คุณยายจะเสียอืมค่ะแต่น้องฝนเขาฝากบอกพี่แจ๊มาว่าคือยายเขาไม่ได้ตั้งใจจะเล่านะคะแต่น้องฝนเขาอืแบบพยายามถามยายอ่ะค่ะครับเพราะความที่แบบว่าเขาไม่เห็นรูปของแม่เขาเดิมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็รงว่า ทำไม่มีลูกต้้งเลยอะไรอย่างเงี้ยขับเดี๋ยวน ะ, ว ค, ะนคุณคุณฟ้าเดี๋ยวจะรบโกนคุณฟ้าเอาใกล้โทรศัพท์กว่านี้อีนิดนึงเสียงคุณฟ้ามันไกลไกลไปหน่อยค่ะได้ินชัดยังคะอ่าโอเคนะครับอ๋อแสดงว่าคราวที่แล้วเนี่ยที่เราบอกว่าเอ้ยคุณฟ้าไม่แน่ใจว่าเขาฟังอยู่หรือเปล่าเขาฟังอยู่เขาฟังอยู่ค่ะตอนแรกเขาจะฟังวันเสาร์แต่เขาไม่เห็นมีมีชื่อว่าคุณฟ้าเล่าเรื่องเลยเขาก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นวันอาทิตย์อะไรครับ ออ่า อ, อ่ะมาเหตุการณ์ที่น้าเขาที่บอกว่ามีเหตุการณ์ที่มากกว่านั้นเกิดอะไรขึ้นอีกคะค่ะก็คือว่าหลังจากตัดไปงานศพก็เจอหน้าน้าหนุ่มใช่ไหมคค่ะครานั้นเขาก็ถามน้าหนุ่มว่าทาไมแบบถามยายแล้วว่าถามยายว่าทํา ไ, ไม่มีลูปของแม่เลยอืมแล้วยายก็ได้เล่าเรื่องนั้นออกมาเสร็จ แ, แล้วเขาก็มาถามนหนุมว่าเรื่องที่เกิดขึ้นน่ะเป็นเรื่องจริงไหมแล้ว เ, เกิดยังไงกับแม่บ้างน้าหนุ่นมเขาบอกว่า เขาเป็นคนผิดเองที่ทำเรื่องนี้ให้เกิดขึ้นมาอืมอมอืมอานะเขาก็บอกว่าเขาขอเล่าในตอนที่ยายไม่ได้เล่าให้ฟังเพราะว่าหลังจากนั้นแล้หลังจากที่นี่น้องฝนเขาฟังมาแล้วปุ๊บเนี่ยยายก็เริ่มเจ็บไข้ได้ป่วยใช่ไหมคะแต่ว่าน้องฝนเขาต้องมาทํางานต่อแล้วน้องหนุมเขาก็เล่นดูแลครับเดี๋ยวเดี๋ยวนะมีหลายท่านบอกว่าตอนนี้เสียงคุณฟ้าเบาไปนิดนึงได้ยินชัดยังคะอเอาเอาใกล้ๆนะ อ๋อเ <สะ S 1> นี่ย <สะ S 1> อย่างนี้เลยอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยอโอเคครับแล้วทานี้น้องหนุ่มนะนับปัจจุบันเนี้ยเขาก็อยู่เป็นโสดนะคะด้วยความที่เขาได้ทำผิดเอาไว้นะคะ ม, มันก็เกิดเรื่องขึ้นในวันที่ที่เราเล่าฟังว่าน้องฝนต้องฝนได้ได้คลอดลงมาแล้วแล้วแม่เขาเสียใช่ไหมคะคอ่าหลังจากนั้น่ะ แม่คุณนักยายสายอะคะ่ะท่านก็เลยเชิญพระมาเพื่อ น, นิมนต์นิมนต์เกี่ยวกับการเชิญจิตวญญาณของแม่น้องฝนนะคะ<ถ>าจากตรงนั้นเพื่อมาทําศพใช่ไหมคะอืแต่กับเป็นเรื่องที่ใหญ่โตมากกว่าเดิมคือคนและชาว บ, บ้านแถงนั้นนะคะยังคงเห็นหน้าสาวเออพี่สาวอะคะ่ะ<ถ>ยังวนเวียนอยู่อืแล้วน้าหนุ่มอะเขาก็ตั้งจิอธิษฐานว่าเขาจะบวชหน้าไฟให้กับ พี่สาวของเขาครับช่วงที่คขาบวชน้ะไฟแล้วอยู่กุฏิอะคะ่ะเขาจะเจอพี่สาวเนี่ยเดินวนรอบกุฏิเขาเลยอะคะ่ะอืมอมคือเดินไปแล้วก็พูดไปว่านุมน่มหนุ่มอย่างนี้อะคะ่ะครับจนแบบพี่นั้นหนุ่มเขาก็แบบทนไม่ไหวต้องผิดหูแล้วก็ก้มตัวแล้วก็บอกว่าผมผิดไปแล้วพี่ผมผิดไปแล้วพี่อื หนึ่งคืนก็แล้วสองคืนก็แล้วทั้งๆที่งานศพก็ยังจัดอยู่นะคะท่านนี้เขาก็เลยด้วยความที่เขากลัวมากอ่ะเขาก็เชิญนิมมลท้าจากวัดที่อื่นมาค่ะอะเพื่อมาเชิญวิญญาณเพื่อว่าอาจจะเป็นพะการที่ที่สาว่าคลอดลูกผลออกมาแต่ลกยังคาอยู่ด้วยกันหรือเปล่าสิตยังผูกพันกันอยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ย ค, ค่ะหลวงพ่อท่านก็ม า, ามทําพิธีท่านก็บอกว่า ผีที่คนทุกคนกลัวเขาก็คือมนุษย์ที่เคยอยู่ในโลกปัจจุบันบเขามีทุกอย่างที่เหมือนเราถึงแม้นะักปัจจุบันที่เขายังมีชีวิตอยู่ณนะตอนนั้นน่ะเขาไม่ได้สติของการเป็นคนปกติแต่จิตลึกๆข้างในเขาอะ่ะเขายังถือว่าเขาเป็นแม่คนอยู่เขาถึงได้มีความรู้สึกที่จะห่วงลูกเขาช่วยดึอคอแค่เราเขาบอกว่าแค่เราทำให้เขาได้รู้ ว่าลูกเขาเป็นยังไงและจะดูแลลูกเขาอย่างไรเขาก็ต้องไปในที่ดีดีแต่ถ้าเรายังไม่เคยได้ให้สัญญาหรือบอกกับเขาว่าเราจะดูแลเขายัางไงวิญญาณเขาอาจจะยังวนเวียนอยู่ท่า น, นี้คืนที่หนึ่งกับคืนที่สองที่พี่สาวไปแล้วใช่ไหมคะหลวงพ่อท่านมาทำพิธีเสร็จพอคืนที่ต้องเผาแล้วเนี้ยพี่สาวอะ เดินไปหยุดตรงหน้าประตูห้องของนันหนุ่มเลยนะคะครประตูกุตินะค ะ, ะ, ะแล้วเหมือนจะเรียกหนุ่มไม่หยุดเลยะคะ่ะเรียกน้องหนุ่มน้องหนุ่มน้องหนุ่มอยู่ย่างเนี้ยจนน้องหนุ่มเขาบอกว่าพี่สาวครับถ้าพี่สาวต้องการความกระจ่างทุกอย่างผมจะเล่าเรื่องทุกอย่างให้แม่สายฟังแล้วผมรับปากว่าผมจะไม่ดูผมจะดูแลไม่ทิ้งแม่สาย และจะดูแลน้องฝนจนกว่าเขาจะโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ครับค่ะพอเขาพูดจบประโยคนี้ที่สาวหายไปเลยค่ะพี่คือเสียงเงียบไปเลยเสียงเงียบไปเลยค่ะเออออเอเหมือนเขาต้องการแค่นี้ใช่ใช่ค่ะเค่ต้องการคำสัญญาเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่แล้วอะค่ะครับแล้วหลังจากที่พอสุดออกมาแล้วอะน้าหนุ่มก็ไม่ได้แต่งงานหรือว่ามีแฟนเลยนะคะนหนุ่มทางานทุกอย่างระสค์ ส่งน้องส่งน้องฝนเรียนจนโตแล้วก็ช่วยเหลือยายสายมาตลอดอืนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับค่ะแล้วเขาก็คือเขาสารภาพเรื่องให้ยายสายฟังอืแล้วก็มาเล่าให้น้องฝนฟังในวันนั้นนะคะคแล้วเขาก็บอกว่าตอนเนี้ยเขาก็ทําจนถึงวันสุดท้ายแล้วจนยายสายเสียแล้วเขาก็บวชอาศัยให้ใจยายสายอีกส่วนน้องฝนนอะ พื่นเพื่อนทุกคนที่เป็นห่วงว่าเอ้ยน้องเขาทำงานด้านนี้จะเกิดอะไรขึ้นตอนนี้น้องเขาไม่ได้ทำพิซตี้แล้วนะคะออือเขากลับไปทำขาขยขนมหวานตรงจุดเดิมที่ยายสายเคยขายอะคะ่ะถึงต่อให้ทำเป็นพิซซี้นะผมว่าเบื้องลึกปูมหลังจริงๆแล้วอ่ะถ้าเขาไม่เล่าสักอย่างหนึ่งก็ไม่มีใครรู้หรอกถูกไหมใช่แต่เขาน้องฝนปากบอกขึ้นมาว่าเขา เขาไม่เขาไม่ได้เคลียอะไรนะคะเพียงเชื่อว่าที่เห็นเขาเป็นอย่างนั้นเพราะรว่าเขายังเศร้าเรื่องของแม่ที่แม่เขาต้องเจอแบบนี้แต่เขาเข้มแข็งค่ะเขาพูดครับครั บ, ค, รบคือคุณผู้ฟังหลายท่านอาจจะงงอาจจะปฏิประต่อเรื่องไม่ถูกนะครับก็ลองไปหาเรื่องของคุณฟ้านะครับฟังย้อนหลังอ่าย้อนหลังชื่อเรื่องว่าเรื่องที่ต้องจําจะถึงบางอ้อเลยครับว่าน้องฝนเนี่ยเขาเขา เขาผ่านอะไรมาบ้าง<ช>เออคือเขาตูมาในในแบบฉบับโดยที่มียายเลี้ยงอ่ะนะครับแต่ก่อนที่เขาจะเกิดอะ่ะมันมีเรื่องราวก่อนหน้านั้นเออฟังแล้วมันก็แบบเศร้าเหมือนกันนาะ<ช>เออเป็นเรื่องของอะไรอะ่ะความอยากได้คุณใสมนดำใช่ไหม ใช่ค่ะที่ไม่ควรไปยุ่งกับการความต้องการในสิ่งที่ไม่ใช่ของตนในสิ่งที่เขาแบบครับได้รักอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณไปโดนเขามาถูกต้องถูกต้องคือง่ายคุณคุณผู้ฟังครับคือแม่ของน้องฝนน้าอันนี้ตามเรื่องเล่านะแม่ของน้องฝนเขาโดนทําของอเขาโดนทําของใส่หลังจากนั้นมันก็มีมีเหตุการณ์ที่ต้องมีอันเป็นไปกันน่ะโดยที่แม่น้องฝนเขาไม่รู้เรื่องเลยนะ คือโดนคือโดนฝ่ายชายอทำของใส่จนจนต้องเสียเออประมาณเนี้ยเหตุการณ์มันอยู่ประมาณเนี้ยอันนี้ให้ฟังคร่าวๆทั้งหมดเลยอะ่ะคือถ้าอยากจะได้รายละเอียดทั้งหมดต้องไปฟังย้อนหลังนี่ถือว่าคุณฟ้าเนี่ยมาอัปเดตให้ฟังโ อ, อ้นะครับเพราะว่าก่อนที่ก่อนทีออ่มันจะมีเรื่องเนี้ยก็คือเรื่องของแม่ของน้องน้องฝนเนี่ยเหมือนเขาจะเป็นห่วงเขาน่าจะมาต้องการให้ ให้ดูแลลูกสาวเขาแหละใช่ค่ะเพราะว่าหนูว่าคงจะเป็นลักษณะที่ยายเขาก็แก่ตัวแล้วแล้วก็ฝนก็ยังเด็กแอบบกเกินไปหรือเปล่าแล้วเขาถึงได้วนเวียนอยู่กับหนุ่มที่เป็นคนเปิดต้นต่อเรื่องนี้ขึ้นมาให้รับผชอบอะค่ะถูกต้องเพราะว่าหนุ่มเนี่ยคือถ้าตามเรื่องเล่าตามที่คุณฟ้าเล่าให้ฟังเขาเป็นคนพาอีกคนหนึ่งเออไปทําของใส่แม่ของน้องฝน มันเศร้าตรงนี้คุณผู้ฟังมันเศร้าตรงนี้แหละและเหตุการณ์มันก็แบบมันมันเหนือการควบคุมไปแล้วอ่ะเออคุณยายเสียแล้วนะมีหลายท่านถามคุณยายเสียแแล้วก่อนที่คุณยายจะเสียเนี่ยคุณก่อนที่คุณยายจะเสียคุณยายเล่าเรื่องทั้งหมดให้น้องฝนฟังไงเออน้องฝนก็เลยมารู้ความจริงก็เลยแบบโอ้เฮ้ยแม่เขาต้องเจออะไรมาบ้างอะไรประมาณนี้ฮะนะครับได้ครับคุณฟ้าถือว่าเป็นการมาอัปเดตกันสั้นๆนะ โอเคเดี๋ยวผมถามก่อนตั้งแต่วันนั้นที่มาเล่าเรื่องที่ซักอบร้อนน่ะมีเหตุการณ์อะไรเพิ่มเติมอีกไหมเกี่ยวกับอะไรเสื้อผ้าที่ถูกส่งมาซักอะไรอย่างเงี้ยไอเสื้อผ้าลูกค้าเราไม่มีอะค่ะ อ, ะอะแต่อะไรที่ไม่เห็นหนูก็ได้เห็นแล้วหนูก็โอเคเขา้าใจแล้วค่ะว่ามีอยู่จริงอะไรอย่างเงี้ยหมายถึง ท, ที่ที่อยู่ในบ้านในร้านเราอะนะ อแม่ดูตอนนั้นที่หนูเ้อยที่ฟังหนูก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราที่ชอทางหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นแม่นางจำปาที่อยู่กับเขาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ทุกวันนี้คือบางทีเห็นละนก็มีความรู้สึกว่าอ๋อโอเคค่ะนีอยู่จริงในอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเองก็ได้แต่ว่าทําตามพี่ที่เคยบอกว่าถ้าเขาอยู่เราก็อยู่ให้เป็นแต่เขาคือลักษณะเร า, า, เราอยู่อยู่เหมือนกับที่พ่อเคยอยู่กับเขาเราก็อยู่กับเขา อูกันช่วยเหลือกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะะแต่ก็ฟ้าไม่ได้ลักษณะเป็นทำพิธีนิตั้งอะไรนี้นะคะฟ้าจะสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็ใส่บาทรทำบุญถือว่าเป็นความศรัทธาความเชื่อส่วนตัวของเราใช่ค่ะนะครับแล้วก็ไม่ได้ไม่เคยไปบอกใครอะไรคือเรารู้ให้ของเราว่าโอเคค่ะครับโอเคครับได้ครับฟ้าอ่ะคืนนี้ขอบคุณมากมนะที่มาเริ่มต้นกับ The Goal Studio ค่ะพี่ครับขอบพระคุณครับ สวัสดีครับหลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืมซ b s c r i b e c h ANNEL THE g o a t RADIO OFFICIAL กันด้วยนะครับ <c oughs>